สถานีวิทยุครา บ, บครัวข่าวสอทอเอฟเอกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยการนําธรรมะดีๆอันเป็นธรรมะคาสอนที่พระพุทธเจ้าของเราได้สอนไว้เป็นเรื่องที่ลึกซึง้งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่จะนําไปเพื่อความหลีกออกจากทุกข์เป็นเรื่องที่จะนํค า, ออานนความสุขมาให้โดยในการนี้ก็มีข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอาภิปุณโญมาพูดคุยในเรื่องราวเหล่านี้แหละอยู่เป็นประจำ นำข้อมูลตรงนั้นเรื่องราวตรงนี้มาตอบคำถามบ้างแต่คุยกับคุณสรรสนีบ้างในช่วงของวันเพื่อและวันศุกร์ส่วนในวันพุธนี้มาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็ให้ฟังพระสูตรท่านฟังในะเรื่องราวของพระสูตรเนี่ยที่เป็นบทเปลี่ยนชนะของพระบุทรเจ้านี้มีความสําคัญมากนะไม่ว่าใครแในะที่เขาสอนธรรมะอยู่ตอนนี้จะเป็นคารวาะก็ตามเป็นพระสงฆ์ก็ตามหรือว่าท่านผู้ฟังอ่านหนังสือธรรมะของใครเขียนก็ตามแต่จะไปในสมัยก่อนหรือในสมัยปัจจุบันบุคคลเหล่านั้นทั้งหมด ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดทุกคนทุกรูปทุกองค์ก็ต้องเอาข้อมูลมาจากที่สัมมาสัมพุทธเจ้าในบอกสอนเอาไว้ต่ อ, อข้อมูลมาจากไม่พระสูตรใ ด, ดก็พระสูตรหนึ่งนะคิดขึ้นเองก็ต้องจํามาละ่ะนะ จ, จะมาปรับบทเพียนชนะเอานะบทเพียนชนะนี่อาจจะคิดเองนะอธิบายเองแต่ว่าบทเพียนชนะดั้งเดิมเรื่องเดิมเข้าเดิมโครงเดิมคอนเซปต์เดิมเนี่ยต้องมาจากสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นะเราสาวเสืบสวนทวนกลับไปได้ จะไปสุดกันที่ตรงนั้นจะไปสุ์กันตรงที่คําสอนของพระบรมชาติจะไปสุดกันตรงที่เรื่องอริยสัจสจะพิสุ์สตรงที่เรื่องของอริยามรรคมียงแมันจะไปจบลงตรงนั้นได้ในะอุบมาอุบไม่ที่ได้เคยยกกัเปรียบเทียบกับรอยเท้าช้างบ้างแตนะ่ที่จะใหญ่ที่สุดในรอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายอย่างไงมันก็จะต้องมันลงกันแถวนี้ได้แน่เพราะฉะนั้นจึงเป็นความสําคัญนะบูฟังว่าเราควรจะต้องมาฟังบทเพี้ยนใช่ไหมที่เป็นคําสอนของพุท ธ, ธ บ, บทเพลงอนชนาที่บระชาตรัสเลยเส่งบางครั้งแน่นอนแหละว่ามันเป็นสัมนวนการแปลมาจากของภาษาบาลีซึ่งแน่นอนเวลาแปลมาลคนแปลก็แต่ละคนก็แต่ละสัมนวนนะแล้วการแปลที่มาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็เป็นสัมนวนที่แปลมานานมากแล้วเดี๋ยวน้อยก็เกือบเป็นร้อยปีนั้่แต่ในสมัยของรัชกาลที่ห้าใหม่ๆที่เขาทํานี่ก็ปรับบ้างเปลี่ยนบ้างแล้วก็เป็นหลายสิบปีแล้วมันก็จะมีภาษาที่เราจะไม่คุ้นเคยในเรื่องของ รูปแบบของสำนวนภาษาบ้างแต่ก็ลองฟังดูตำรวจฟังเพราะาส่วนที่เข้าใจได้มันก็ ม, มีอยู่อาจจะฟังแปลงๆ แ, แต่ว่าข้อมูลโดยอัตหาแล้วเราพอเข้าใจได้ในเรื่องนี้ก็เลยเอาสิ่งที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมาควบคู่กันไปด้วยแต่เป็นประวัติสั้นๆเรื่องราวตรงนั้นตรงนี้มาให้ตำรวจฟังได้ลองฟังกันดูแล้วก็ประกอบกับการที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเ e c ซซึ่งเราจะสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ในระหว่างประชาคมด้วยกันเนี่ย เรื่องของการที่เราจะรู้สัพปะสางขอังกฤษต่างๆเหล่านี้แต่ก็จึงเป็นการที่จะช่วยได้โดยข้าพเจ้าก็พยายามที่จะปรับนะปรับในการที่จะอ่านภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี้ยให้มันเข้ากั น, นลงกันได้นะัคือไม่ไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปนะัคือได้รับฟีดแบ็กจากท่านผู้ฟังอยู่เหมือนกันนะว่าบางทีเราฟังภาษาไทยไปอย่างเงี้ยเราเข้าใจอยู่แต่พอมาฟังภาษาอังกฤษนะไม่เข้าใจห่วงความคิดมันขาดตอนไป แต่ก็พยายามจะแบ่งช่วงวักตอนตรงนี้ให้เหมาะสมะโดยพยายามที่จะพูดภาษาไทยให้มันจบตอนเป็นตอนเพื่อให้เข้าใจถึงคอนเซปต์ตรงในช่วงคําพูดตรงนั้นแล้วก็พูดภาษาอังกฤษในตรงส่วนเดียวกันแล้วก็กลับมาพูดภาษาไทยในช่วงห่วงความคิดต่อไปคอนเซปต์ต่อไปอย่างนี้แตก็พยายามจะปรับตรงนี้ดูไปสักระยะหนึ่งก่อนแต่ถ้านผู้ฟังเห็นว่ายังไงก็ส่งข้อความกันมาสื่อสารกันมาทางรายการได้นะคําสอนของพระพุโรชาตินั้นสอนหมดทุกระดับ แต่ตั้งแต่พระราชาเสนาอัมมาศประชาชนทั่วไปคนยากจนคนจันทานนะั้พระบรมเจ้าสอนหมดทุกอย่างแต่เขาก็มาแสวงหาฟังธรรมกันแตนะ่ทุกคนไม่ว่าจะระดับไหนสูงขนาดไหนจะต่ำขนาดไหนก็มีความทุกข์ของตนในระดับนั้นระดับนั้นเรื่องราวนี้ก็เหมือนกั น, นเป็นเรื่องราวที่ท่านพระเจ้าเปรเนตนิโกสนได้มาถามพระบรมเจ้า ต, ตอนนั้นพระเจ้าเปรตดิโกสนีก็ได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปละ่ะ เป็นช่วงในสมัยท้ายพุทธกาลประมาณ4ีปีหปีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประินิพพานช่วงนั้นแต่ซึ่งการขยายอาณาจักรดินแดนเนี่ยท่านพระเจ้าเปรสเซนต์ดิโกสนก็ใช้วิธีการทางการเมืองในการที่จะไปผูกมิจกอาณาจักรนั้นผูกมิจกอาณาจักรนี้นั้นในที่สุดก็เกี่ยวดองกันแตมีเครือข่ายสัมพันธ์กันดีเขาก็ยกย่องให้พระเจ้าเปรสเซนต์ดิโกสนเนี่ยที่มีอาวุโสสูงสุดเนี่ยเป็นหัวหน้าของเหล่าพระราชาในที่นั้นแตพูดง่ายๆก็คือครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทีะ แต่เป็นอย่างนี้แล้วก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าละมีพุทธานุสตินะ น, นี่เป็นเรื่องดีแต่ว่าเอ๊ะเป็นอย่างนี้แล้วยังต้องทําอะไรอีกไหมยัยงต้องทําอะไรที่ควรจะต้องทําอีกหรือไม่พระพุทธเจ้าได้เตือนพ ร, พระเจ้าเปรสเอ็นิโกศนจำไปฟังถึงเรื่องของภัยในที่จะเกิดขึ้นนะตบางคนอาจจะคิดว่าภัยที่มันเป็นภัยธรรมชาติเช่นซีนามิแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หรือน้ําท่วมใหญ่พวกเนี้ยจะเป็นภัยที่จะทําอันตรายต่อมนุษย์ได้ แต่จริงๆต้องรวงมันมีภัยที่เหนือกว่านั้นอีกคือบางทีน้ําท่วมใหญ่สึนา ม, มิพัดมาแผ่นดินไหวนาทที่ว่าคนจะตายหมดเนี่ยมันก็ยังมีคนรอดแต่จะรอดนิดๆหน่อยๆแต่ก็ยังมีคนรอดแต่มันยังมีภัยอย่างอื่นที่ไม่มีใครรอดเลยถ้าภัยนี้มาถึงนะลองฟังเรื่องราวตรงนี้กันโดยตำรวงมีในสมัยหนึ่งที่พระเจ้าเปรสเซนที่โกศลได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชุพูทวีป จึงได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าแ ล, ล้วตรัสถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ผู้ได้รับมรรตาพิเศษแล้วกรองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วผืนแผ่นดินนี้จวยังมีราชกรณียกิจอันใดบัดนี้บ่อมฉันถึงแล้วซึ่งความขวนขวายในราชกรณียกิจเหล่านั้น On one occasion, King Pasendi of Kosala approached the blessed one and said, "Just now, venerable sir, I have been engaged in those affairs of kingship, typical for head anointed k a t i y a kings, who are intoxicated with the intoxication of sovereignty." Who are obsessed by greed for sensual pleasures, who have attained stable control in their countries, and who rule, having conquered a great sphere of territories on Earth? นที่นันพระผู้มีพระากได้ตรัสตอบดังนี้ว่ามาบะิตพระองค์จะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร สมมติว่าในที่นี้มีข้าราชการของหมาปพิษผู้ที่คนเชื่อถือมีวาจาเชื่อถือได้มาจากทางทิศตะวันออกเขาเข้ามาเฝ้าปรงุงแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ามาจากทางทิศตะวันออกในที่นั้นข้าพเจ้าเห็นภูเขาใหญ่สูงเตียมเมฆกําลังกลิ้งบทปวงสัตว์มา สิ่งใดที่พระองค์จะบึงทรงกระทาก็ขอได้รีบปล่ยกระรรทำเสถิดดังนี้ลำดับนั้นข้าราชการคนที่สองของมาาปิฏมาจากทางที่ใต้ข้าราชการคนที่สามมาจากทางที่ตะวันตกและข้าราชการคนที่สมาจากทางทิ่เหนือเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลผู้เชื่อถือได้มีวาจาเป็นที่เชื่อถือ มาเฝ้าพระองค์แล้วกลับทูดบาาข้าพเจ้ามาจากทางทิศ ใ, ใต้ที่ตะวันตกในทิศเหนือในที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆ ก, กำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาสิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทาก็ขอได้รีบโปรดกระรรทำเสถิดดังนี้มาบวิตรครั้นเมื่อมหาผยอันร้ายกาศ ที่ทำให้มนุษย์พินาษใหญ่โตถึงเพียงนี้บางเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์ายเล่าจะพึงเป็นกิตที่พระองค์จะพึงทรงกระทําในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้ On that occasion, the Buddha replied, "What do you think, great king? Here, a man would come to you from the east." One who is trustworthy and reliable. Having approached, he would tell you, for sure, great king, you should know this. I am coming from the east, and I saw a great mountain, high as the clouds, coming this way, crushing all living beings. Do whatever you think should be done, great king. Then a second man would come from the west. The third man would come from the north, then the fourth man would come from the south. They are trustworthy and reliable. Having approached, he would tell you, "For sure, great king, you should know this. I am coming from the west, from the north, and from the south. And there I saw a great mountain." High as the clouds, coming this way, crushing all living beings, do whatever you think should be done, great king. If such a great peril should arise, such a terrible destruction of human life, the human state being so difficult to obtain, what should be done, great king? ใน t h ่น a ้นพระเจ้า s ปรตท i ่โคศนได t ตรัสต อย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นเมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่ทําให้มนุษย์พินาตใหญ่โตถึงเพียง น, นี้บังเกิดขึ้นแก่หม่อมฉันอะไรจะพึงเป็นกิจที่หม่อมฉันจะพึงกระทําในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้เล่านอกจากการประพฤติ ธ, ธรรมนอกจากการประพฤติสม่ําเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบาเพ็ญบุญบันดบุ If such a great peril should arise, such a terrible destruction of human life, the human state being so difficult to obtain, what else should be done, but to live by the Dhamma, to live righteously, and to do wholesome and meritorious deeds. Maapapit, เรา a b o r a เราจะอธิบายแก่มาปปิตให kha ้าใจ คือความแก่และความตายย่อมครอบงำโรงก็แลเมื่อความแก่ความตายครอบงำโรงอยู่อะไรเล่าจะบึงเป็นกิจที่หมาะพิษจะพึงทรงกระทำ I inform you Great King I announce to you Great King Aging and death are rolling in on you when aging and death are rolling in on you เกรงจ What should be done แค <c oughs> ่แต่พระองค์ผู้เจริญก็แลเมื่อความแก่และความตายรอบงำหม่อมฉันอยู่อะไรเล่าจะบึงเป็นกิจที่หม่อมฉันควรจะกระทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสมเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบรปพนบุญ As aging and death are rolling in on me ม the Rosa what else should be done but live but to live by the Dhamma to live righteous ly and to do wholesome and meritorious deeds ข่าแต่พระงผู้เจริญก็การรบด้วยกองพลช้างแม้เหล่าใดย่อมมีแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ผู้ได้รับมุรทาพิเศษแล้วปกครองบัตเตบีมณฑลอันยิ่งใหญ่แต่เมื่อความแก่และความตาย รอบงามอยู่สิคติวิสัยแห่งการรบด้วยกองพลช้างเหล่านั้นไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการรบด้วยกองพลมา้ากองพลรถหรือพลเดินเท่าแม้เหล่าใดย่ยอมมีแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ผู้ที่ได้รับมรดภาพพิเศษแล้วแต่เมื่อความแก่และความตายรอบงามอยู่สิคติวิสัยแห่งการรบด้วยกองพลมา้า กองบนรถและผลเดินเท้าเหล่านั้นไม่มีเลยอันหนึ่งในราชสกุลนี้มหาอมาตถู้มีบนซึ่งสามารถจะใช้มนทำลายข่าศึกที่ยกมาก็มีอยู่เหมือนกันแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่สิคติวิสัยแห่งการรบด้วยมนแม้เหล่านั้นไม่มีเลย There are the n e r v o s r Elephant battles, fought by head anointed k a d h i y a kings, who have attained stable control in the i r country, but there is no place for those elephant battles, no scope for them, when aging and death are rolling in. There are v e n the b e r s e r cavalry battles, c h a r o t battles, infantry battles, but there is no place. for those cavalry, chariot, and infantry, no score for them when aging and death are rolling in. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในราชตระกูลนี้มีมหาอมาตถ์ผู้มีมนซึ่งสามารถจะใช้มนทำลายค่าศึก ท, ที่ยกมาก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่สิคติวิสัยแห่งการรบด้วยมน m e n เห n ่านั้นไม่ o ีเล m i n i e r Bowser, in this royal court, there are counselors l who, when the enemies arrive, are capable of dividing them by subterfuge. But there is no place for those battles of subterfuge, no score for them when a g i n g death are rolling in. ข a าแต่พระอง u c h ู r เจ อันหนึ่งในราชตระกูลนี้มีเงินทอง ท, งทั้งที่อยู่ในพื้นดินและ ท, ทั้งที่อยู่ในอากาศซึ่งพวกข้าโรงสามารถจะใช้เป็นเครื่องมื อ, อยุยแย่ให้ค่าศึกที่ยกมาแตก่กันก็มีอยู่เป็นนันมากแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่สิคติวิสัยแห่งการรบด้วยทรัพย์เหล่านั้นไม่มีเลยก่อเมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่อะไรเล่า จะบึงเป็นจิตที่ค่าโปร่งควรจะกระทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบำเป็นบุญ Venerable Sir In this royal court Venerable Sir there exists abandoned bullion and gold stored in vaults and depositories and which such wealth we are capable Of mollifying the enemies, when they come, but there is no place for those battles of wealth, no score for them, when aging and death are rolling in, as aging and death are rolling in on me. When the roser, what else to be done, but to live by the dharma, to live righteously, and to do wholesome and m e r i t i r i o u s deeds. ถูกแล้วถูกแล้วหมาปพิดตูกแล้วถูกแล้ ว, ก, ลวก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นจิตที่โกรงควรจะกระดำนอกจากการประพฤติ ธ, ธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการมาเป็นบุญ So it is great king so it is great king as aging and death are rolling in on you What else to be done but to live b h Dhamma, to live r i g h t e o u s l y and to do wholesome and meritorious deeds. เมือ่อพระผู้มีพระภาตรัสพุทธ ร, รนิันดนีแล้วได้ตรัสคำที่เป็นคำกาบคือเป็นคาถาสืบไปว่าผู้เขาหินศิลาใหญ่สูงเตี่ยมฟ้ากลิ้งบทปวงสัตมาโดยรอบจากทั้งสีทิศ แม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉะ น, นั้นมันย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตว์พวกพรามพวกแพทย์พวกสูตรคนจันทานและคนเทขยายมูลฝอยไม่เว้นใครๆไว้เลยมันย่อมย่อมยีเสียสิ้นณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับผลช้างผลมา้า ไม่มียุทธภูมิสำหรับผลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับผลราบและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนหรือด้วยทรัพเรนั้นแลบุรุษผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติ ธ, ธรรมด้วยกาย ด้วยวาจาหรือด้วยใจบันดิตตั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นลาโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์ And this is what the blessed one said. Having said this, the fortunate one further said in s t e n z a just as mountains of solid rock, massive. r a c h i n g to the sky, might draw together from all sides, crashing all in the four quarters. So aging and death come, rolling over living beings, kathiyas, brahmins, v a s s a s sundas, chandals, and scavengers. They span and along the way, but come crashing everything. There is no ground there, for elephant troops, all chariot troops, all infantry. One cannot defeat them by subterfuge, or buy them out by means of wealth. Therefore, a person of wisdom here, out of regard for his own good, steadfast, should settle faith in the Buddha, Dhamma. and Sangha when one conduct s oneself by Dhamma with body, speech and mind, they praise one here in the present life, and after death, one rejoices in heaven. ภัยที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงในเมื่อสักครูน่นี้ที่ว่าอาจจะเป็นสึนามิอาจจะเป็นภัยธรรมชาติอย่างอื่นๆที่เราคิดว่า จะเป็นสิ่งที่จะทำอันตรายให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้แต่ตัวอย่างที่พระบุทธเจ้ายกในที่นี้ก็เปรียบเทียบกับเวลาที่มีภูเขาหินมันกลิ้งมาจากทั้ง4ตทิศถ้าท่านผู้ฟังเคยดูหนังเรื่องอิน j o น e าแจนที่พระเอก เ, เขาไปบุกหาขุมทรัพย์ใช่หเข้าไปในตามหลืบตามรูหรือว่าถ้ำอะไรต่างๆและในถ้ำนีก็มีหินกลิ้งออกมา ซึ่งหินนี่มันใหญ่พอดีกับถ้ำเลยเนี่ยไม่มีทางที่จะรอดไปได้เลยก็ต้องหนีอย่างเดียวแต่ถ้าสู้นี่ก็ถูกบททับแน่นอนแต่ซึ่งไอ้ภัยที่เป็นประเภทนี้ แ, แก้ไขไม่ได้เลยจะเอากองทัพไปสู้ก็ถูกบทหมดจะเอาหินไปคว่ำก็ไม่ได้หินมันใหญ่กว่าจะทํายังไงในทีนี้เมื่อความตายมาถึงซึ่งพระพเจ้าปรสเซนติโกสลเนี่ยเป็นพระราชาที่มีปัญญาแล้วก็นับถือคําสอนของพระบรมราชามาก นะรวบรวมเรื่องราวที่เคยบอกเคยสอนเอาไว้แต่ก็คิดเองได้ว่าอา๋อทั้งนั้นก็ต้องปฏิบัติทำสิแตนะ่เกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากเหลือเกินนะถ้าเป็นมนุษย์ยากขนาดนี้ไปต่อจะไปยังไงล่ะประโลกจะไปที่ไหนถ้าจะให้ดีก็ต้องไปสวรรค์จะไปสวรรค์ทํำยังไงก็ต้องประพฤติธรรมประพฤติสม่ําเสมอสร้างกุศล บ, บําเพ็ญบุญนั่นเองพระพุทธเจ้าเฉลยจำบูฟังบอกว่าภัยคือความแก่และความตายย่อมครอบงําเราทุกคน แตนะ่พระชาเปอร์เซนที่โกศลตอนนั้นก็แก่แล้วอายุจะ80แล้วแต่คืออายุเท่ากับพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็สมวรตคตปีเดียวกันกับปีที่พระพุทธเจ้าปาริทินที่ผานด้วยอายุเท่ากันแล้วก็ตายปีเดียวกันแต่คือสมวรตคตปีเดียวกันกับปีที่พระพุทธเจ้าปาริทินที่านนั่นแหละแต่แก็คือเตือนถึงความตายที่กำลังใกล้เข้ามาแต่เตือนอย่างนี้แล้วก็ต้องประพฤติ ธ, ธรรมละ่ะสร้างกุศลบำเพ็ญบุญแต่ถ้าผู้ฟังลองคิดดูคนที่อยู่ตามโรงพยาบาลอยู่ตามโรงพยาบาลนะคนที่เจ็บคนที่ตาย แต่เวลาความตายมันจะเข้ามาถึงเนี่ยหมอเต็มพรึบนะหมอเขาเอายาอย่างดีมาใส่ให้พยาบาลก็เต็มพรึบนะดูแลรักษาอย่างดีแต่พอความตายมันจะมาพรากชีวิตไปเนี่ยไม่มีใครทำอะไรได้เลยแนะต่ตองให้ออกกองกาลังทหารมารักษานะซ้ายขวาหน้ า, ห, นาหลังควบคุมไว้ตำรวจทหารอยู่เต็มพรึบแต่ความตายจะมาเอาสู้ไม่ได้เลยคุณมีเงินเท่าไหร่ทุ่มเก็ไปเวลามันจะตายจริงๆมันมันไม่ได้เลย ในเมื่อความแก่และความตายเนี่ยมันครอบงำทุกคนเป็นภัยที่เราไม่สามารถชนะได้เลยนะนะเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นแต่คุณคิดว่าคนจะล้นโลกแต่ไม่มีคนที่อายุพันปีนี่ยไม่มีนะเกิดมาเท่าไหร่มันก็ตายเท่านั้น แ, แน่นอนในเมื่อความตายที่กําลังจะมาถึงแล้วจะมาถึงเราแล้วเนี่ยเราจะทําไงผู้ที่เมื่อความตายจ่ออยู่เฉพาะหน้าผู้ที่เมื่อความเจ็บความแก่จ่ออยู่เฉพาะหน้าจะยังเป็นผู้ที่พาสุกอยู่ได้ คำตอบเฉลยในที่นี้ก็คือว่าประพฤติทำสิปฏิบัติธทำสิสร้างกุศลสิบำเพ็ญบุญสิทําอย่างต่อเนื่องทาอยู่อย่างสม่ําเสมอคุณอาจจะไปทําที่วัดก็ได้นางสมารถเจรเนะิญภาวนาหรือว่าทําที่บ้านก็ได้หน่ะฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมประปฏิบัติตามศีลนะได้ทั้งนั้นแต่นะเราก็จะมีธรรมะอยู่ในใจหนะบุงคลที่มีธรรมะอยู่ในใจมีความปรามโมดมีปีติอันเป็นผลของธรรมที่อยู่ในใจเนี่ยมีสิ่งใดที่มันจะมากระทบ ไม่่าจะเป็นเงินหายญาติตายและท้องไส้ไม่ดีเจ็บป่วยแลเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้แต่คำว่าผาสุขในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่ามีความทุกข์เหล่านี้เกิดแล้วก็หัวเราะเยาะหรือว่ายินดีกับมันไม่ใช่งี้ยนะแต่หมายความว่าก็ไม่ร่ําให้คร่ําครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นบุ้มุ่งหงกลางเพอหรือไม่ก็ไม่ถึงกับโกรธฟัดเฟี้ยกระด้างกระเดืองแสดงความกรความกัดเกืองความไม่พอใจให้ปรากฏแต่ความเสียใ จ, จยความสลดสังเวก็อาจจะมีอยู่ แต่ก็ยังผาสุึกอยู่ในใจไม่ทําสิ่งที่เป็นอาธรรมถึงขนาดนั้นอันนี้เขาใช้ศัพท์ที่เรียกว่ายังมีความผาสุึกอยู่ในใจได้แตนะข้อความที่เป็นสรุปหรืที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นก็เรียกเป็นคํากราบเนี่ยเป็นคําโครงคํากรอนโดยปกติพระพุทธเจ้าคุยกับใครแล้วนะสรุปเรื่องตรงนั้นก็อาจจะตรัสเป็นคาถาเอาไว้คําโครงคํากรอนตรงนี้เขาก็เรียกว่าคาถาแตนะ่เป็นคาถาที่จะสรุปเรื่องตรงนี้ได้อย่างดีว่า ถ้าเราเป็นผู้ที่เห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นภัยแล้วะไม่ประมาทมีพระพุทธประธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติอย่างดีั้นที่มาที่ไปก็เป็นสวรรค์นแน่นอนเป็นอย่างต่ำหรือสูงไปกว่านั้นบรรลุถึงเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งะมีความทุกข์สิ้นไปมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเป็นไปตามลำดับนั่นเองท่านี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรณ์อภิปุโนจากวัดป่า ด, ดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อน ถ้าดันไปฟังมีคำถามข้อเสนอนใดน ๆ, ๆส่งมาได้ที่ p u r e t h a c o m p-u-r-e-d-h-a-m-m-a ส่วนเรื่องของไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ, ดๆใดๆที่ต้องการฟังย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นตอนไหนๆตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้ก็สามารถไปฟังได้ที่เว็บไซต์นั้นก็มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ o t h e p u r e d h a m m a c o m p-u-r-e-d-h-a-m-m-a จดหม